สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดนะครับเรื่องของการสาบานนะครับวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในวัดคิวบทที่ห้าข้อที่สามสิบสามจนถึงข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับวัดคิวบทที่ห้าข้อที่สามสิบสามจนถึงข้อที่สามสิบเจ็ดครับโปรดฟังโวจนะของพระเจ้า เอกสารนหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเขี่ยคำศัตท์สาบานคำศัตท์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มัน่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยเพราะอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า หรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อยาสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชสถานีของพระมหากษัตริย์ยาสาบานโดยอ้างถึงศีชะของตนเพราะท่านาจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปจากเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าใหม่พูดเพียงแต่นี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วเพียงครับนี่คือคำสอนของพระเยซูผมได้เคยเรียนที่น้องแล้วว่า เพสูมาเพื่อที่จะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเราจะเห็นถึงอินเทนชันหรือความตั้งใจของคนที่อยู่ข้างในนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าให้เรามีชีวิตยอยู่นะครับโดยการที่เปลี่ยนแปลงใจข้างในนะครับอังเกติดบอกว่า live inside out l v e inside out ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากภายใคนครับการที่เราจะต้องกล่าวคำสาบาน นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองงั้นหรือคนอื่นอาจจะไม่เชื่อใจเราครับก็คือเราเองงั้นไม่ขาดเครดิตนะครับต้องมาอ้างพระเจ้าต้องมาอ้างเยรูซาเล็มครับต้องมาอ้างแผ่นดินโลกครับนะต้องมาอ้างแผ่นดินสวรรค์ครับหรือสวรรค์นะครับแต่พเยซูบอกว่าอย่าสาบานเลยแสดงว่าพระเยซูกําลังพูดอะไรครับเยซูกําลังบอกว่าจริงก็ว่าจริงครับไม่ก็ว่าไม่เห็นไหมครับ ก็คือเป็นเรื่องราวที่พระเยซูกาลังบอกกับสาวกของพระองค์ว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูต้องพูดความจริงเสมอต้องพูดความจริงตลอดเวลานะครับต้องมีเครดิตต่อคนอื่นๆว่าสาวพสกพระเยซูไม่โกหกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับการสาบานจึงไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปพระเยซู ทรงอธิบายเห็นภาพโดยใช้ถ่อยคำว่าอีกครั้งหนึ่งทั้งหลายได้ยินคำซึ่งเก่าแก่คนโบราณระเยซูกำลังเตือนเหล่าสาวกถึงบทบัญญัตินะครับที่พวกเขาได้เรียนรู้ก่อนที่พวกจะตัดบอกต่อไปว่าจะทำให้บทบัญญัตินี้สมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับบทบัญญัติข้อนี้นะครับคัดลอกมาจากข้ามที่เดิมเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อที่สิบสองครับเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อที่สิบสองผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับ เลวิธิติวที่สิบ้าก็ที่สิองยาสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จกระทําให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเราคือพระเจ้าอีกครั้งนะครับยาสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จกระทําให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเราคือพระเจ้า ที่นี้เพิมทีเดิมในเวรีติบทที่สิบเก้านะครับข้อที่สิบเจ็ดข้อสิบสองครับบอกว่าอย่าให้เราสาบานในเรื่องความเพดครับพูดง่ายๆก็คือว่าในการที่อ้างพระเจ้านะครับมาเพื่อเถียงพูดความเพดนั้นเป็นการลบหลู่พระเจ้าครับเป็นการทําให้พระนามของพระเจ้านั้นถูกเหยียดหยามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเป็นอย่างที่สุดครับนะ พระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยีิบสามข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบสามข้อที่ยี่สิบเอ็ดจากตรงนี้นะครับว่าเมื่อท่านบ่นต่อพระเยิหัวพระเจ้าของท่านท่านอย่าละเลยไม่แก้บน่นเพราะว่าพระยิหัวพระเจ้าของท่านจะทรงเรียกจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บน่นท่านก็จะไม่มีบาป จงระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำที่ผ่านออกมาจากริมผีปากของท่านตามที่ท่านได้สมัครใจบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้วนะครับในที่นี้ในแง่หนึ่งนะครับคาว่าบนกับคว่าสาบานนั้นมีความหมายใกลเคียงกันในแง่นี้ครับก็คือว่า เป็นการทำสัญญาหรือว่าเป็นการกล่าวคำสัญญากับพระเจ้าครับนะครับกล่าวคำสัญญากับพระเจ้าถ้าพระเจ้าช่วยเขาในเรื่องนี้นะครับเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะตอบแทนตรงในเรื่องนั้นพี่น้องครับนี่คือการบนนะครับพี่น้องถ้าเราบนอะไรกับพระเจ้านะครับอย่าแล้วเลยที่จะไม่แก้บนครับถามว่าบนได้ไหมคือเตียนบนได้ไหมบนได้ครับแต่ต้องแก้บนครับเมื่อท่านสัญญาอะไรกับพระเจ้านะครับ พระเจ้าจะเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านไม่สามารถที่จะทําให้กับพรงได้ท่านจะมีบาปครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านงดไม่บน่นท่านก็จะไม่มีบาปนะครับต้องเพียงบอกเลยว่าให้เราละมั่นระวังนะครับที่จะทําตามค่อยคําที่ออกผ่านออกมาจากปากของตัวเองครับที่นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็อบอกว่าให้เราที่จะละมั่ระวัง และเราจะต้องพูดความจริงเสมอครับการการสาบานใดๆนะครับหรือทาสาบานใดๆก็ต้องรักษาให้มันครับเพราะคําสัญญาทำสาสาบานก็เท่ากับทาสัญญาครับ ส, สัญญานะครับเพราะทุกสิ่งนั้นพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งสิ่นนะครับเพราะเรากล่าวทําปฏิญาณกล่าวคํำสาบานใดๆก็ตามนะครับมีพระเจ้าเป็นผู้ได้ยินนะครับ และเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูสอนว่าข้อผูกมัดหรือข้อตกลง ใ, ใดๆนั้นจะต้องไม่ทําโดยคําสาบานใดๆสิ่งนี้เรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ครับพี่น้องครับฟังแล้วอาจจะงงงงหน่อยนะครับพระเยซูกําลังสอนว่าถ้าเราทําด้วยความซื่อสัตย์และเราพูดความจริงนะครับก็ไม่ต้องอาศัยคำสาบานใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องสนับสนุนคําพูดของเขาครับ นั่นหมายความว่าชีวิตของเขานั้นต้องมีเครดิตนะครับจริงก็จงบอกว่าจริงไม่ก็จงบอกว่าไม่ถ้าพูดเกินนี้เป็นบาปครับนะฮะพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับมัทธิวบทที่ห้าพระเยซูได้สอนเราชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเราพูดเกินนี้นะครับถ้าเราแต่งเติมนะครับต่อเติมเสริมแต่งนะครับก็เป็นความบาดทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะ ความตั้งใจภายในนะครับจะให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นไหมครับนะี่ยเตูมาเพื่อที่ให้ทำมันอยากสมบูรณ์หมายความว่าครับความตั้งใจ intention ข้างในอยากจะให้คนอื่นเข้าใจผิดครับแม้นะว่าจะพูดนะครับความจริงแล้วก็เติมเข้าไปนะครับใส่สีเติมแต่งนะครับเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยความจงใจหรืออย่างจงใจนั่นก็ผิดแล้วครับพี่น้องครับ อย่าสาบานในเรื่องเท็จแต่จงสาบานได้นะครับอา่าสาบานได้ก็คือเป็นคําสัญญาว่าจะพูดจริงครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าคิษเสียนเรากล่าวคาสาบานไม่ได้ในศาลจริงๆแล้วนะครับนั่นหมายความถึงการให้สัญญาว่าจะพูดจริงต่อภาภาพระพักของพระเจ้าถามว่าทำได้ไหมคําตอบก็คือทําได้ครับแต่สิ่งที่ พระเจ้าสอนไม่ให้สาบานก็คือว่าจงอย่าสัญญานะครับหรือจงอย่าทำสิ่งใดก็ตามครับโดยที่รู้ว่ามันได้จริงและพูดออกมาแล้วยอมบอกว่าจริงแล้วบอกว่าจริงนะครับก้ละเรื่องกันครับขอพระเจ้ามตตาอุเพรที่น้องที่รักทุกท่านอามน